มงกุฎไพรเล่มหนึ่งตอนที่179รับพินใช้ปลายมีดโบวีด้ามเงาอันเดิมของเขาซึ่งแท้ที่จริงมันก็คือมีดที่ลงอาคมไว้ค่อยๆ ย, ยื่นเข้าใกล้ใบของมันใบหนึ่งอันเคลื่อนร่อนอยู่ใกล้ๆตัวเขาสิ่งที่พอจะสังเกตได้ชัดก็คือปลายมีดยิ่งเข้าไปใกล้มันเท่าไรมันก็ยิ่งเบนก้านพรานี้ห่างออกเท่านั้น เหมือนจะมีอะไรมาฉุดดึงรั้งให้ถอยหนีจนมองเห็นก้านของใบโกงงอขณะที่มันเบนหนีออกไปจนสุดทางเท่าที่มันจะหนีได้เมื่อเขายื่นปลายมีค่อยๆไล่เข้าไปพอแตะกระทบเข้ากับใบเท่านั้นลำต้นของว่านต้นนั้นก็สะท้นชูขึ้นทั้งต้นเรากับมีมือมาจับเขยา่าสองบาวนาย พูดต่างทันกันในด้านอาคมสายเวทเพียงใครจะเหนือกว่ากันเท่านั้นมองตากันอีกครั้งรับผินพยักหน้าให้ดูอาการของต้นและใบว่านเหมือนจะเตือนให้บุญคำเร่งสำนึกตนว่าอย่าเอาแต่ขนองอวดดีจนเกินเลยเถิดไปนักบุญคำทำเสียงหึห่งในลำคอถ้าทางแกไม่ได้สะเทือนขวัญสยองกลัวใดๆทั้งสิ้นปลดกระดุมกางเกงออกแอนชีรถว่านต้นนั้นหน้าตาเฉย ปากหมุบมิบท่องอะไรอยู่อย่างชนิดไม่มีเสียงรอดออกมาพอปสัสาวะเสร็จแกก็เขย่าเครื่องคราให้เสด็จน้ำอย่างใจเย็นแล้วเก็บเข้าที่ตามเดิมหันกลับมายิ้มอวดฟันหลอกับเจ้านายผู้ยืนดูอยู่เงียบๆอืมเก่งเขาบอกตาลูกศิษย์พรานที่ชื่อรพินไม่เก่งก็เสียชื่อเจ้านายหมดซีแกแยกเี้ยวยิ้มอยู่ในลักษณะเดิม นายยืนคุมหลังให้อยู่ทั้งคนอะไรมันกระทำก็ บ, บุญคำได้ก็ให้มันรู้ไปสำคัญคืนนี้นายอย่าจับไข้ได้ป่วยขึ้นเสียก่อนเท่านั้นบุญคำไปท้าทายเขาก่อนนะนี่เปล่าท้าก็แค่อวดของดีให้แม่นางดูเท่านั้นว่าของไอ้คายังไม่เหี่ยวแล้วก็ยังฉีดน้ำไก่ซะด้วยบอกแล้วไงว่าไอ้คำจะให้น้ำกับแม่โฉมงามทั้งหลายนี่ นายเล่นเอาปลายมีดหมอไปแย่อยางงั้นไม่ถูกร็อกแม่ชมงามกลัวกันตัวสั่นไปหมดแล้วต้องทำอย่างบุญคำนี่เขาถึงจะชอบใจเมื่อกี้ว่าจะให้ช่วยอะไรนะยังพูดค้างไว้ไหนก็รู้ว่าบุญคำพูดแก้เปรี้ยวปากไปงั้นแหละไม่ได้คิดลามกอัปรีจะเอาผีสางแม่นางก้องอะไรที่ไหนมาเล่นส ป, ปรดนด้วยร็อกคืนนี้บุญคาไม่ห่วงอะไรพวกเรา เพราะถึงยังไงมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่เป็นห่วงพวกเจ้านายฟรังกับไอ้พวกลูกหาบทั้งหลายถ้าพลาดพลั้งลงไปก็ลำบากลำพังนายกับไอ้คำสองคนคงมีทีเผลอมั่งใครจะมานั่งทางตาเฝ้ายามอยู่ได้ทั้งคืนแม่มเบลก็ไม่สบายต้องนอนให้น้ำเกลือแม่มคริสจะแข็งแรงแค่ไหนวันนี้ก็ดูป่อแป้เต็มทีแล้วยังไม่รู้ว่าตกดึกพวกเจ้านายทั้งหลายใครจะเกิด จับไข้ไม่สบายขึ้นมามั่งอีกถ้าร่างกายจิตใจไม่แข็งแรงเสักอย่างเดียวก็ทําให้มันมาครอบงําได้ง่ายขึ้นบุญคําพูดเป็นงานเป็นการขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องนี้หรอกหรือที่ฉันด่าบุญคําอยู่ว่ามาตั้งแคมป์ตรงนี้ทําไมรัเพนเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาอีกเพราะว่าอันที่จริงแต่เท่าสมุนขวาของเขาแสนรู้ไปสารพัดยกเว้นแต่จะแกล้งโง่เท่านั้นบุญคํากําลังจะบอกนายอยู่นี่ยังไง ของอะไรในโลกนี้มันมีสิ่งที่แก้กันได้ทั้งนั้นตอนที่สั่งให้ตั้งปางพักกรงนี้บุญคาลงมาตรวจที่นี่ก่อนแล้วถึงจะมีดงว่านผีปอบอยู่ที่นี่มันก็มีของที่แก้กันได้อยู่ไม่ห่างออกไปนะักถ้าเราได้มาก็สบายคืนนี้มันไม่มีวันเข้าไปในอนาบริเวณปางพักได้เลยอย่างมากก็แค่มาป้วนเปี้ยนอยู่รอบนอกหนังก็เครื่องในของเลียงผา บุญคำสั่งให้เอามาทิ้งล่อมันไว้ตรงเชิงเนินที่พักของเราให้มันแห่กันไปกินของสดขาวที่นั่นพรานใหญ่ขโมดคิ้วฉันยังไม่รู้เลยว่าบุญคำหมายถึงอะไรแกฉุดข้อมือเขาเฮีย ห, หน้าตามบุญคำมาพอเห็นนายก็รู้เองแหละหรแรกบุญคำจะจัดการเองก่อนแล้วแต่อาคมบา ร, รมีของบุญคำไม่ถึงต้องรอให้นายเป็นคนทาพิธีบุญคำเป็นลูกมือเอง อะไรของแกวะแต่คำนี่บอกมาซิว่ามันเป็นอะไรเข้าร้องออกมาเบาๆในขณะที่ยังเดินตามหลังโดยการจูงข้อมือไม่ยอมปล่อยของบุญคำลัดเลาะดงว่านร้ายกลับออกมาทางเดิมแต่อดิตพรานใหญ่แห่งเขาอึมครึมบอกสั้นๆอยู่ประโยคเดียวว่าเหอหน้าเหอหน้าเช่นนั้นจนกระทั่งล่วงพ้นออกมาจากดงว่านและเห็นเกิดกับเสยกาลังนั่งยองๆรอคอยอยู่ริมดงตามเดิม เจ้าพรานหนุ่มทั้งสองพอเห็นเจ้านายกับบุญคําเดินกลับมาก็รีบลุกขึ้นยืนทันทีเฮ้ยไอสองคนนี่เองกลับขึ้นไปบนปางพักได้แล้วเดี๋ยวนี้เลยพรานใหญ่ก็ค่าสองคนจะตรวจดูอะไรแถวแถวนี้อีกกระเดี๋ยวและจะกลับขึ้นไปไม่ต้องห่วงเกิดกับเสยทําหน้าที่งงๆงรีรีรอรออยู่ในขณะที่บุญคำโบกมือไล่ทั้งคู่ยังไม่ยอมขยับขยื้อนระพินจึงเดินเข้าไปใกล้แล้วพยักหน้าบอก กลับขึ้นไปเสียเถอะทำตามที่สั่งนะหันหน้ามองไปตรงที่ตั้งปางพักของเราก่อนอย่าเปลี่ยนไปมองทางด้านอื่นเดินจากนี่ให้ถึงที่นั่นเป็นเส้นตรงเลยระยะมันก็ใกล้ๆแค่นี้เองและไม่ต้องเหลี้ยวกลับมาอีกตลอดระยะเวลาที่เดินไม่ต้องพูดอะไรกันถ้าเห็นภาพอะไรขวางหน้าจงรู้เถิดว่านั่นมันเป็นภาพลวงตาอย่าไปสนให้เดินทางเดียวอย่างเดียวจนถึงที่ภาวนาไปแค่ ห้าคำระหว่างเดินนะนะโมพุธทธายะจำไว้เจ้าพรานเด็กหนุ่มของเขาทั้งคู่ขนลุกชันขึ้นมาทันทีมองตากันเองลอกแรกแล้วเปลี่ยนมาจับอยู่ที่เขารพินตบไหล่ทั้งคู่เบาๆอย่าปลอดแหกไม่เข้าเรื่องมันไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าที่เราพบกันมาแล้วหรอกที่ให้สวดมนต์เดินไปก็เพื่อให้คุมสติให้ได้เท่านั้น ปางพักของเราเห็นอยู่ทนโทษแค่นี้เองตะวันก็ยังไม่รับป่าทำตามที่สั่งก็แล้วกันขณะนั้นแดดผีตากผ้าอ้อมสาแสงสุดท้ายแดงกำ่ำลงมาราวกับสีโกเมนอาบไปทั่วบริเวณเกิดและเสยบังเกิดอาการตะครั้นตะครอขึ้นมาทันทีเอามือลูบแขนขยี้แรงๆขณะที่ยิ้มแ ย, แย่ๆอ้อมแอมจะขออยู่ร่วมด้วยแต่ระพินสันศีษะเฉียบขาด ทั้งคู่จึงหันหลังกลับปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดโดยตาจับมองไปยังปางพักที่มองเห็นอยู่บนเนินสูงมีกลุ่มควันที่ก่อไว้ลอยขึ้นมาตลอดจนเงาของพวกลูกหาบที่อยู่ในระหว่างทางานเดินกันอยู่ขวักไขว่พร้อมกับก้าวเดินออกไปโดยไม่ยอมเหลียวมองไปทางด้านใดทั้งสิ้นเป็นการเดินเคียงคู่กันลักษณะเรียงแถวหน้ากระดานระพินกับบุญคา ยืนมองตามหลังเจ้าพรานเด็กหนุ่มทั้งสองไปขณะหนึ่งเอาละไหนว่าจะพาไปดูอะไรบุญคํายังคงมองตามหลังไอ้เด็กหนุ่มทั้งสองไปอยู่เช่นนั้นป่าก็บอกเบาๆอย่างเป็นห่วงว่านายไอ้เกิดกับไอ้เสยนะ่ะพรรษาเรื่องพันนี้มันยังอ่อนอยู่มากนาโดยเฉพาะไอ้เสยใจมันยังไม่แข็งนักคราวก่อนก็โดนดีเอาที่หมู่บ้านกรเียงผีสิงที่หนึ่งแล้วผีเยียขินเอาเสียเกือบตาย บุญคำว่านายวิทยุขึ้นไปบอกไอ้จันทร์ให้มันคอยออกมายืนจับตา ม, มอไอ้สองคนนี่ตอนที่มันเดินไปดีกว่าสั่งไอ้จันร์ไว้ด้วยว่าถ้าเห็นไอ้สองคนเดินเวียนหรือเดินเลี้ยวไปทางอื่นก็ให้แล่นลงมารับลากตัวกลับขึ้นแคมป์ด้วยเราสองคนมัวไปทำธุระกันอยู่คงจะมองตามมันไม่ได้ตลอดล็อกรพินชัมเลืองดูหน้าบุญคำเพิ่งจะเห็นแกมพูดเป็นกิจจลักษณะเอาเดี๋ยวนี้เองและเขาก็เห็นด้วย ดึงวิทยุขึ้นมาจากเอวกดคีย์แล้วกรอกคำพูดเรียกขึ้นไปบนแคมป์วิทยุของเขาคงจะไปเข้าเครื่องของนายจ้างและจะขอให้จันเป็นผู้มาพูดกับเขาภายหลังจากเรียกซ้ำๆไปสีห้าครั้งรับพินเริ่มสะดุ้งใจอย่างไรบอกไม่ถูกทดลองกดคีย์ช่วงสั้นๆอยู่ทีๆแล้วทดลองเร่งวนลุ่มกับเพิ่มส e ว u e นซ์ sequence. ปรากฏว่าวิทยุในมือของเขา ไม่ปรากฏสำเนียงเสียงใดแววออกมาเลยแม้แต่คลื่นอากาศทำไมนายวิทยุเป็นอะไรไปบุญคำถามเร็วปรือบะเอาเข้าแล้วยังไงเมื่อกี้นี้ในดงว่านนั่นมันยังรับส่งได้ดีอยู่เลยไหนเอาของบุญคำมาสิมีประจำตัวอยู่เครื่องหนึ่งไม่ใช่หรือต่เท่าหน้ายุ่งรีบคว้าวิทยุที่ได้รับการแจกประจำตัวออกมาจากผ้าเข่าม้าเคียนพุงแล้วส่งให้เขาทันที ระพินเปิดสวิตช์เร่งระดับเสียงเต็มที่และทดลองหมุนปุ่ม Sequence เผื่อว่าจะได้ยินเสียงลั่นโคลครากบ้างแต่ผลมันก็เป็นอย่างเดียวกับเครื่องของเขาบอดสนิทสภาพของมันเหมือนถ่านหมดหรือมีพลังงานอะไรชนิดหนึ่งที่เข้ามาควบคุมไว้มีให้ทั้งภาครับและภาคส่งทำงานได้เลยแม้แต่นิดเดียวมันจะต้องเป็นอุบัติการที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่อึดใจ นับตั้งแต่เดินออกมาจากดงว่านนี่เองเขาทดลองกดคีย์เครื่องของบุญคำและลองเรียกไปที่สเตลลี่อีกครั้งก็ไม่เป็นผลเช่นเดียวกับเครื่องของเขาบุญคำขยับปากจะพูษสวานออกมาแต่ระพินเตะหน้าแข้งแกเสก่อนปล่อยเขาก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรเลยประเดี๋ยวฉันจะจัดการให้วิทยุใช้ได้เองนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่สิงสถิตอยู่ในนั้นมีอิทธิพลพอสมควรเหมือนกัน ตอนนี้อยู่ในระหว่างการขอทดสอบลองของเรามัง้งบุญคําเยี่ยวรถเขาได้เขาก็ทําให้วิทยุ ข, ของเราบอดไปชั่วขณะเหมือนกันแต่ทําได้ไม่นานหรอกส่วนเรื่องไอ้สองคนเดินกลับแคมป์ก็ไม่ต้องห่วงรับรองว่าเดินกลับได้โดยปลอดภัยถ้าไม่ไปสะดุดตอไม้แล้วลืมคาถาที่ให้ท่องไว้เสียแล้วถ้าทางโน้นเรียกมาไหนว่าวิทยุ ข, ของพวกเราทางโน้นจะเสียไปด้วยไหมเนี่ย ของพวกเราส่วนใหญ่บนแคมป์คงไม่เป็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเขาเรียกลงมาเราก็คงไม่ได้ยินเท่านั้นมันก็แค่นั้นเองถ้าเกิดเรียกลงมาแล้วนายไม่ตอบขึ้นไปพวกเขาไม่สงสัยกันแย่หรอดีไม่ดีเกิดลงมาตามกันวุ่นไม่ต้องห่วงยังไม่มีใครมีธุระเรียกลงมาตอนนี้หรอกไปจะพาไปไหนก็ไปแต่อย่าให้เสียเวลาชักช้านักนะ มือขวาของเขาหันไปจ้องดูดงว่านอาถรรพ์อีกครั้งซึ่งบัดนี้แดดใกล้สนธยาอาบไว้ดูแดงฉานราวกับป่าเลือดทำปากหมุบมิบเหมือนจะคาดโทษไว้แล้วพยักหน้ากับเขานำออกเดินเลาะลัดไปตามหนทางอันเป็นที่รุ่มต่ำลงไปอีกระหว่างกอวัชพืชแห้งตายซากตรงไปยังหน่อหินหมู่หนึ่งลักษณะเป็นรูปกลวยยอดแหลมเหมือนพีระมิด ที่มองเห็นงอกอยู่เรียงรายสามยอดปรากฏอยู่กลางพื้นที่ราบโลง่งยอดใหญ่ที่สุดที่สูงประมาณไม่เกินสามเมตรเป็นหมู่หินเตี้ยๆเล็กๆพอรับมุมยอดหินก้อนที่สูงสุดในหมู่สามก้อนอันงอกขึ้นมาจากพื้นดินบนบนทรายบริเวณ น, นั้นพระพินพรายวันก็ชะงักจ้องตะลึงไปยังพืชอะไรชนิดหนึ่งที่งอกขึ้นเป็นกอย่อมๆ อ, อยู่ใจกลางวงล้อมสามเส้าของก้อนหิน เขาดูเหมือนจะเข้าใจและได้คำตอบอย่างปุโปร่ปรงแล้วในสิ่งที่บุญคำพูดเป็นในๆไว้ก่อนลักษณะลำต้นและใบของพืชชนิดนั้นมันเหมือนกับพืชล้มลุกที่เรียกกันว่าต้นไพลทุกอย่างเพียงแต่ว่าทุกส่วนสัตว์ของมันดำสนิทราวกับใครเอาหินสีดำมาแกะไว้แล้วนำมาประดับตั้งอย่างบริเวณซอกหินนั้นไม่เพียงแต่ลำต้นหรือใบแม้แต่พื้นบริเวณรอบด้าน ในปริมณฑลประมาณหนึ่งตารางวาอันเป็นตำแหน่งที่ขึ้นเป็นกอนเล็กๆนั้นก็ล้วนเป็นสีดําไปหมดแลดูแข็งแกร่งปานหินผาทั้งๆที่ตำแหน่งนั้นน่าจะเป็นดินไัยดํำระพินปรีตาพินิษอย่างรอบคอบประมัดระวังที่สุดสิ่งอันอาถรรพ์เหนือโลกซึ่งอยู่ในลักษณะ ส, สมุนไพรพืชล้มลุกชนิดนี้ ในชีวิตบุก ป, ป่าฝ่าดงของเขาเคยพบเห็นมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งและเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในหุบเหวใจกลางเทือกเขาตะนาวสียุคที่ยังอยู่ในวัยรุ่นติดตามครูพรานนานไพรเข้าไปศึกษาสำรวจเกี่ยวกับเส้นทางเดินของเหล็กไหลบรมมาครูเท่าของเขาในครั้งนั้นได้นำเขาไปพบไพรดำโดยบังเอิญชนิดไม่คาดฝันมาก่อนเช่นกัน แกได้ละทิ้งความสนใจในด้านอื่นหมดสิ้นใช้เวลาเพนพยายามขุดเพื่อจะเอาหัวของมันขึ้นมาให้ได้ถึงสมวันสามคืนสัพเพเวทมนวิทยาอาคมเท่าที่แกมีอยู่ได้ถูกนำมาใช้ในพิธีทั้งหมดโดยมีเขาจำใจต้องเฝ้าดูและคอยช่วยเหลือแกอยู่ด้วยเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ปรากฏว่าครบสิ้นสมวันสามคืนที่เขาทาหน้าที่เป็นลูกศิษย์ปรนิบัติอยู่ ระหว่างนานไพรเข้าพิธีกรรมก็ไม่ปรากฏว่านานไพรจะสามารถขุดดินบริเวณที่ต้นไพรขึ้นอยู่นั้นได้เลยแม้แต่นิ้วเดียวเนื้อดินแข็งแกร่งเหนียว แ, แน่นยิ่งกว่าทำด้วยเหล็กเสียอีกเมื่อใช้ปลายมีดอาคมของแกขุดแซะลงไปปรากฏว่ามีดลงอัขระของแกที่ได้รับการตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษชนิดที่ตัดสายบัวขาดโดยไม่เหลือแม้แต่ใย หักสะบ้นคาตาให้เห็นและตัวหนานไพรเองก็หงายพลึงสลบไปในทันใดเขาต้องเอาน้ำมนต์ที่แกทำใส่ขันหินเล็กๆเตรียมไว้ก่อนสาดรถตัวแกจึงฟื้นขึ้นมาได้และผลของการเพียนพยายามจะขุดดินเพื่อจะตัดหัวไพรดำขึ้นมาให้ได้นี้เองทำให้หนานไพรเจ็บหนักอยู่หลายวันแทบจะเอาชีวิตไม่รอด แกไม่ได้บอกกับเขาถึงรายละเอียดอะไรมากนักเกี่ยวกับสรรพคุณของไพรดำที่แกต้องการจะขุดเอาหัวขึ้นมาให้ได้เพียงแต่สั่งไว้นักหนาว่าโอกาสใดโอกาสหนึ่งที่เขาเจริญวัยเติบโตไปข้างหน้าได้พบกับครูบาอาจารย์ที่วิชาอาคมเหนือกว่าแกก็ขอให้หาทางร่ำเรียนศึกษาถ่ายทอดวิชาการจากผู้รู้จริงและพยายามตัดเอาหัวไพรดำขึ้นมาให้ได้เถิด และเมื่อได้ของอาถรรพ์สิ่งนี้มาแล้วมันจะเปรียบดังแก้วสารพัดนึกที่เขามีไว้ในมือสามารถจะบรรดาอะไรให้ได้ทั้งสิ้นดังใจคิดหลังจากนั้นมาอีกไม่นานนักนันพรยก็ตายจากไปเป็นที่ประจักษ์ชัดกับตาของเขาว่าครูพรานขนาดนันพรยนั้นมีเวทมนต์คาถาอาคมแก่กล้าขณะที่จะเรียกและตัดเหล็กไหลออกมาได้ แต่ก็ยังไม่สามารถจะขุดหัวไพลายดำได้เพราะอาคมและบารมีของแกไม่ถึงอย่าว่าแต่จะตัดหัวพลยออกมาได้เลยแม้แต่ดินโคลนต้นก็ขุดไม่ขึ้นเสียแล้วเขาไม่ได้สนใจอะไรกับเรื่องนี้อีกเลยหลังจากนั้นพลได้ตายจากไปแล้วและต่อมาเมื่อเติบใหญ่กล้าแข็งขึ้นในเชิงพลและเวทมนต์อาคมทุกชนิด เท่าที่จะมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้มาจากเหล่าคณาจารย์ซึ่งมีทั้งพระอนาคามียฤษีชีพรายพระทุดงผู้แก่กล้าฤทธิ์คารวาดผู้มียานวิเศษสุดแต่จะได้พบและได้รับวิชามาสะสมเพิ่มพูนไว้ในตัวระหว่างที่บุกบั่นซอกซอนไปในป่าดงพงพีทุ่ทุกสารทิศเรียนรู้ในทางมนต์ดำอันเป็นเดรัจฉานวิชาทางสยศาสตร์และมงคลวิชา อันมาจากพุท ธ, ธานุภาพของอรหันต์เจ้าก็หาได้เคยมีครูบาอาจารย์ท่านใดเปิดทางให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้ในวิชาตัดหัวไพรดำเลยแม้แต่ท่านเดียวทุกท่านจะบอกแต่เพียงถ้าพบเห็นก็ให้ถือว่าเป็นมงคลแห่งชีวิตแล้วอย่าได้พยายามขุดขึ้นมาเป็นอันขาดและเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะสแสวงหามาไว้เป็นสมบัติเช่นเดียวกับเหล็กหลเช่นกัน เพราะรังแต่จะก่อให้เกิดกิเลสความโลภไม่มีที่สิ้นสุดอันเป็นการทำลายขันติสมาธิซึ่งจะเป็นไปในทางเสื่อมซามของการดำเนินชีวิตมากกว่าที่จะเจริญสูงส่งขึ้นเพราะบรรดาลาบสการะในทางโลกิยะนั้นเป็นอบายของผู้ที่จะสแสวงหาความสุขสงบแบบสันโดษระหว่างที่เขาย้อนระลึกไปถึงความหลังและอย่างสงบนิ่งอยู่นั้นบุญคาได้ใช้มีประจาตัวของแกทดลอง กวาดกาดทั้งถางและทิมลงไปยังบริเวณพื้นดําสนิทคนต้นเสียงใบมีดของแกกระทบกับพื้นแข็งแกร่งปรากฏเสียงกังวานสายกริง้งเห็นไม่นายพื้นนี่แข็งโปกเลยบุญคำไม่มีเป็นยาขุดลงไปได้หรอกแล้วบุญคำคิดว่าฉันจะขุดได้งั้นหรือนายมีวิชาเหนือกว่าบุญคาหลายขุมทำไมจะขุดไม่ได้แกบอกมาอย่างกระหายอยากและมุ่งมั่นเต็มที่ ลืมหลักธรรมประจําใจของเราไปเสียแล้วหรือบุญคำในข้อที่ว่าพรานป่าต้องไม่โลภถ้าโลภเมื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรคุ้มครองตนเมื่อนั้นไม่ว่าจะมีวิชาแก่กล้าสักแค่ไหนเขาพูดเรียบเรียบกระแสะเสียงต่ำลึกฉุดแก่ขึ้นมายืนชีวิตเราที่รอดภัยจากป่ามาได้โดยตลอดก็เพราะเรายึดถือหลักของธรรมะประจาใจหรือสัจจะของพรานข้อนี้แหละ อย่าว่าแต่ไพรดำที่บุญคำมาพบเห็นเขานี่เลยอะไรต่ออะไรอีกมากมายกายกองนับไม่ถ้วนที่จะเป็นผลประโยชน์ทางโลกียสุ ข, ของชีวิตมนุษย์บัตรซบเราก็ผ่านพบกันมามากแล้วแม้แต่ขุมเพชรพระอุมาเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจกับไพรดำก้อนี้เลยให้เขาอยู่ณที่นี่ที่ที่เขาควรอยู่นี่เถิดอ้าวนายตาเท่าเอามือโปะลงไปบนหัว อ่าปากครางยาวออกมารพินกล่าวต่อมาด้วยกระแสเสียงเดิมของเขาว่าถ้าบุญคําคิดว่าต้องการจะได้ไพรดํามาไว้เพื่อจะป้องกันตัวจากว่านผีปอบดวงนั้นล่ะก็บุญคําโกหกชั้นเพราะว่านผีปอบแค่นี้เองทั้งบุญคําและชั้นก็พอจะเอามันไว้ได้อยู่ไม่ต้องอาศัยหัวไพรดำหรอกนึกรู้ว่าชั้นเองไม่รู้เท่าทันว่าบุญคําต้องการหัวไพรไปทําไม ตัวเองไม่มีปัญญาจะตัดยังจะยืมมือชั้นเสียอีกแกทำหน้าตื่นอย่างสนิททำไมไนายว่าไอ้คำอยากจะได้ไปทำไมถ้าไม่ใช่เพราะจะเอาไว้ป้องกันตัวจากพูดผีเสนีย์จันไรทุกชนิดถ้าบุญคำหรือนายได้ไพยดำไว้ก่อนไอ้มันไตรก็คงทำอะไรเราไม่ได้เลยพรานใหญ่จ้องตาแกลึกมีประกายตำหนิและปรามอยู่ในทีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีสรรพคุณสูงก็จริง แต่ถ้าบุญคำได้ไปก็ยิ่งเพิ่มเสนียจันรารให้แก่ตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกเพราะสันดานของบุญคำให้อยู่แล้วจะเอาไปหุงด้วยอาคมทำน้ำมนต์ขึ้นใช่ไหมจะได้เอาไปไว้ทาเปลือกตาเวลาเล่นการพนันถั่วโปลูกเตา๋าหรือไพ่กับใครจะได้เอาเปรียบโกงเขามองทะลุไปเห็นแต้มที่ปิดครอบไว้หมดแทงถูกชนะทุกครั้งได้สินพนันมา หรือขนาดไม่มีอะไรเลยก็เอาไว้ทาตาแล้วมองทะลุเสื้อผ้าคนเข้าไปเห็นเนื้อในเขาหมดว่าขนาดรูปร่างสันฐานในที่ลับของเขาเป็นยังไงบ้างคิดดูว่าจันไรไหมแบบนี้จะเอาไว้ดูผู้หญิงใช่ไหมบุญคำหน้าเจียมเจ้ยมลงทันทีเอามือเกากระบาลแกรกแกกวะนายกูรู้ทันไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ากูจะขยับไปทางไหนไม่รู้จะอยู่เป็นบ่าวเป็นนายกันไปทาไม เอางี้ดีไหมไหนๆก็เป็นบ่าวเป็นนายกันมานานแล้วขอดูวิชาหน่อยเหอะขุดหัวไพราดาให้บุญคำเห็นหน่อยแล้วรับรองว่าบุญคำจะไม่แตะต้องก็ได้ทิ้งไว้ที่นี่แหละถ้านายไม่ต้องการให้บุญคำเอาไปแต่อยากจะดูว่านายพอจะมีอาคมขุดตัดได้ไหมพระพินสั่นศรีรษะช้าๆถ้าฉันบอกว่าขุดไม่ได้บุญคาก็คงไม่เชื่อเพราะฉะนั้นขอให้เลิกความคิดนี้เสียดีกว่า อย่าไปสนใจอะไรอีกปล่อยให้เขาอยู่อย่างสงบอย่างนี้แหละอย่าไปรบกวนอะไรทั้งสิ้นก็ดีแล้วที่พามาให้เห็นเป็นบุญตาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกจากที่นี่บุญคาควรจะทำอะไรในสิ่งที่ถูกที่ควรเพื่อเป็นมงคลกับตัวเองเอาละมีทูปติดตัวมาด้วยหรือเปล่ามีทำไมระนายแกบอกมาอุบอิบและพึมบ่นอะไรที่เขาไม่ได้ยินจุดทูบขึ้น บูชาสักการะและขอขมากับเทพประจำพรายดำกอ น, นี้เสียอ้อจุดเผื่อฉันด้วยดอกหนึ่งบุญคำถอนใจเฮือกอย่างผิดหวังจำใจต้องล้วงทูบในย่ามหลังของแกซึ่งจะต้องมีติดประจำตัวอยู่เสมอออกมาสองดอกจุดไม่ขีดลนปลายทูบจนติดและสะบัดให้เปลวไฟที่ลูกอยู่ดับเหลือแต่ปลายติดไฟแดงและส่งควันกลุ่นส่งให้เข้าดอกหนึ่ง ตนเองสุดตัวลงคุกเข่าพนมมือไหว้ทำปากหมุบมิบอยู่อึดใจเดียวก็ค่อยๆบรรจงเสียบไว้ยังรอยแยกระแหงของพื้นดินดำที่แข็งเป็นหินนั้นห่างจากกอไัยดำออกมาราวสามเมตรระพินเมื่อได้รับทูบจากบุญคำก็ถอยห่างออกมาจนพ้นบริเวณแผ่นดินดำรอบโคนกอไพยนั้นแล้วลงนั่งขัดสมาธิหลับตาลงจบทูบในมือพนมวางอก ดิ่งปรานิ่งภาวนาพระมิตังเยนะนิพานังรัขิตังโลกะสัมปะทังรัชโทสาทิกะเกละเสหิระหิตนาตังนมามิหังพระองค์ทรงยินดีในพระนิพพานพระองค์ทรงรักษาโลกสมบัติไว้พระองค์ทรงเว้นจากกิเลสราคะโทสะข้าขอนามสการ ครบสามคาบก็ปักทูปลงหน้าที่อันควรแล้วยืนขึ้นรู้สึกเบาตัวปลอดโปร่งเป็นอย่างยิ่งตาคําคยืนทำตาปริบๆมองดูเขาอยู่ก่อนแล้วพอรพินหันกลับมาแกก็ถามว่านายภาวนาว่าอะไรสอนบุญคำมั่งสิอย่าสนใจเลยบุญคำเดรัชานวิชากับมงคลวิชามันไปด้วยกันไม่ได้หรอกเอาละเรามาลองดูกันดูลองอะไรละ่ะนาย วิทยุของบุญคำที่มันรับไม่ได้ส่งไม่ออกนะงัดขึ้นมาซิแล้วทดลองเรียกขึ้นไปที่นายฟรังมาดูกันว่ามันจะทำงานได้แล้วหรือยังฮ่านายแน่ใจถึงขนาดนั้นเชียวหรอถ้าไม่ลองก็ไม่รู้หรอกตาคำลองกันเดี๋ยวนี้เลยบุญคำมองเขาด้วยหางตาอย่างโกนเตะท่าทางไม่อยากเชื่องัดวิทยุที่ใส่ผ้าขาวม้าผูกรัดติดเอวอยู่ขึ้นมาเปิดสวิต กดคีย์ตะโกนส่งเดทลงไปฮัลโหลฮัลโหลเลดี้แอนเยนเตลแมนท่านเคยเป็นแบบนี้มั่งไหมปวดหัวปวดหลังไหล่ปวดไปทั่วสารพางจะกินจะนอนมันมีแต่ทรมานเบื่ออาหารและโลหิตจางเบื่อไปแทบทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่สางร่างกายสูบวีเรมัสแล้วแกก็คลายคีย์ออกท่านใดนั่นเอง เสียงห้าๆเร็วปรือของดร์สแตนลีย์ก็ดังสวนออกมาจากลําโพงว่าเฮนี่มันเสียงตาคำนี่แกร้องเพลงอะไรมาให้พวกเราฟังบุญคำอยู่ไหนบุญคำแย่เขี้ยวหดคอลงเพราะเสียงของหัวหน้าคณะอเมริกันดังออกมาจากลําโพงกรอกรูหูแกก้องไปหมดแล้วกระซิบเบาๆชิปเฮงพวกนั้นได้ยินจริงๆนั่นแหละวิทยุเราใช้ได้แล้ว ปากนายศักดิ์สิทธิ์ยังกะพระร่วงยังไงอยังงั้นเลยรพินคงหน้าเฉยเรียบสนิทอยู่เช่นนั้นเสียงของสเตนลียังคงโวยวายเอ็ดอึงติดต่อมาเขาจึงคว้าวิทยุจากมือของแก่ไปตอบเบาๆว่าไม่มีอะไรหรอกครับด็อกเตอร์แต่คําแกแอบแออย่างนี้เองแกร้องเพลงทะลึ่งไปตามเรื่องขอทราบว่าเกิดกับเสยขณะนี้กลับไปถึงเนินที่พักแล้วยังทั้งสองคนกลับมาถึงแคมป์เรียบร้อยแล้ว คุณกับบุญคำละ่ะกำลังทำอะไรกันอยู่ใกล้จะหมดแสงตะวันเต็มทีแล้วนะครับเราจะกลับขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละเลิกก่อนแล้วเขาก็ปิดสวิตส่งวิทยุคืนไปให้เห็นหรื อ, อยังถ้าบุญคำลงมือขุดพื้นที่กอไัยนี่เมื่อไหร่ก็ชักตาตั้งเมื่อนั้นแต่พอจุดธูปไหว้วิทยุ ข, ของเราก็กลับมาใช้การได้ตามเดิมเพราะฉะนั้นไม่ต้องขุดเขาไปหรอกคืนนี้เขาจะคุ้มครองให้เราเอง ตามใจตามใจอยากจะได้ของดีมาเป็นสีกัดตัวสักหน่อยก็ขัดคอขัดขวางซะแล้วอยู่ก็นายไม่ได้ดิบได้ดีอะไรเลยมีแต่จนดักดานแล้วก็เสี่ยงตายอยู่เรื่อยแกบ่นของแกไปตามเรื่องไม่ได้มีความหมายอะไรในคาพูดและระพินก็ไม่ถือสาเอื้อมแขนมากอดคอแกไว้พาเดินออกจากบริเวณนั้นมาด้วยกันเราอยู่กันอย่างสันโดษสงบส ง, ง่ยมเจียมตัวอย่างนี้นะ่ะดีแล้วบุญคา พึงมีพึงได้ในสิ่งที่ควรมีควรได้เถอะอย่าไปทะเยอทยานอะไรให้มากนะักถ้ารอดตายกลับไปได้คราวนี้บุญคำก็พอจะตั้งตัวได้แล้วในส่วนแบ่งของเงินค่าจ้างแล้วบุญคำจะทิ้งฉันไปไหนก็ไม่หง่เหนียวอีกแล้วจะตามใจบุญคำทุกอย่างก็เห็นใจอยู่ว่าได้อยู่รับใช้เหนื่อยยากร่วมเป็นร่วมตายกับฉันมานานเต็มทีแล้วต่อไปนี้จะให้เลือกทางเดินของตัวเองเสียที แล้วนายเองล่ะจะทําอะไรต่อไปถ้าเรากลับไปถึงบ้านฉันก็จะอยู่ตามประษาของฉันไปอย่างนี้ฉันเกิดมาในบ้านป่าก็จะขอตายอยู่กับป่าที่แวดล้อมหนองน้ําแห้งนั่นแหละเงินที่ได้มาจากค่าจ้างส่วนหนึ่งจะแบ่งทําบุญสร้างโรงเรียนให้เด็กๆในหมู่บ้านอีกส่วนหนึ่งก็จะใช้รักษาดูแลคุณแม่ของฉันซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ฉันเหลืออยู่ในโลกนี้นายเป็นคนมีกระตันยูสูงมีสัจจะเป็นที่ตั้ง เสียงของบุญคำหมดแววเล่นกลายเป็นจริงจังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเทวดาถึงได้คุ้มตัวนายอยู่ตลอดบุญคำก็พูดไปงั้นเองนายอย่าถือสาอะไรเลยนะนายอยู่ที่ไหนบุญคำก็อยู่ที่นั่นไม่คิดทิ้งนายไปไหนหรอกว่าแต่ว่าแกเว้นไปครู่แล้วถามแผ่วเบาว่านายจะไปหานายหญิงไหมถ้ากลับไปถึงบ้านแล้ว เข้าหน้าของสุภาพบุรุษไพรผู้อาภัพสลดลงอย่างเห็นชัดฉันหมดวาสนาสําหรับนายหญิงของบุญคํามานานแล้วนับตั้งแต่มีความจําเป็นจะต้องออกเดินทางเข้าป่ามานี่มีความรู้สึกเหมือนกันว่าฉันได้ตายจากเธอไปแล้วเราอยู่กันคนละโลกแปลว่านายตัดใจจากนายหญิงได้แล้วตัดใจหรือระพินยิ้มออกมาเศร้าๆเต็มไปด้วยแววปวดร้าวขมขื่น ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนฉันไม่มีวันที่จะตัดใจจากนายหญิงของบุญคําไปได้หรอกไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้จําไว้ด้วยและความรักของฉันไม่จําเป็นจะต้องสมรักหรอกขอเพียงให้ฉันได้รักเธอเท่านั้นก็เป็นความสุขสุขเศร้าเศร้าที่ฉันพอใจแล้วและฉันก็ไม่สนใจด้วยว่าเธอจะยังคงมีเยื่อใยฉันอยู่หรือไม่เพียงไรแค่ไหนขอให้ฉันได้มีความรัก แน่วแน่ต่อเธอข้างเดียวก็พอนี่คือคำปฏิญาณของฉันที่เธอไม่จำเป็นจะต้องรับรู้บุญคำนิ่งซึมกระถือไปโดยไม่ปริปากคำใดอีกตลอดเวลาที่เดินบายหน้าย้อนกลับมายัางที่ตั้งของแคมป์ตะวันกำลังจะรับทุ่งอันเป็นหลอนสูงสูงต่ำาๆทางทิศตะวันตกอยู่รำไรแล้วแสงสุดท้ายแห่งทิวาการ หน้าสายั น, นี้ดูวังเวงเศร้าเหลือประมาณร่างของบุคคลทั้งสองเดินคู่กันไปกลางที่โล่งเบื้องหน้าเป็นเนินของที่พักเบื้องหลังก็คือดงไม้ซึ่งเป็นเงาปริศนาคลุมเครือทั้งคู่เดินไปเงียบๆโดยไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยเหมือนกับว่าต่างเดินอยู่โดดเดียวตามลำพังคนเดียวฟ้าฟ้าด้านอื่นใดบัดนี้สรวมัวมนลงหมดสิ้นแล้ว คงมีแสงสลัวจางๆอยู่ทางภาคอัสดงคดเท่านั้นที่ฉายสีโรยราแต่แต้มอยู่กับหมู่เม่ก้อนใหญ่อากาศหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยหวบภาพทัศนาภาพรอบด้านไม่ว่าจะหมู่เมฆเบื้องบนท้องทุ่งหมอมากและกลุ่มโขดหินที่แวดล้อมอยู่ทั้งใกล้และไกลออกไปจะดูเป็นภาพของธรรมชาติอันวิจิตรการตา หรือมองเป็นภาพอันอ้างว้างวิเวกของโลกร้างซึ่งแฝงไว้ด้วยความหน้าพรันพรึงได้ทั้งสองในและบัดนั้นในจิตประสาส่วนเร้นลึกของรพินก็แว่วสำเนียงเสียงเพรียนามอัคคีรุษชัดเจนมาจากสุดขอบฟ้าด้านหลังของเขาเป็นการสะดับได้ยินอยู่เพียงลำพังคนเดียวนั่นคือจิตใต้สานึกของตนเองที่ติดตามมาหลอกหลอนอยู่ทุกโอกาสที่ได้ช่องเหมาะ แต่แม้จะปร่งใจเชื่อแล้วเช่นนั้นรพินก็ไม่ไวายที่จะขนลุกชันขึ้นทางกายสบัดร้อนสบัดหนาวอย่างไรสุดที่จะบรรยายได้เมื่อรพินกับคนคู่ใจของเขาเดินย้อนกลับขึ้นมาถึงเนินที่วางแคมป์ก็ปรากฏว่าทุกขนทุกแห่งมืดสนิทลงแล้วคงมีแต่กองไฟที่พวกลูกหาบก่อไว้เตรียมเป็นไฟรุ่งหนึ่งกองทางด้านปากทางขึ้นและไฟอันรุมอยู่ใต้ร้านย่างเนื้อเท่านั้น นอกจากเบลผู้พักหลับสนิทอยู่ในระหว่างให้น้ำเกลือพักพวกทุกคนกำลังรอคอยเขาอยู่ทั้งหมดร่วมวงประทังชีพมื้อเย็นพร้อมกันทั้งหมดโดยล้อมวงกองไฟ ย, ย่างเนื้อโดยไม่มีการแบ่งฝ่ายลูกจ้างหรือนายจ้างรวมทั้งลูกหาบทุกคนด้วยสถานการณ์มันทำให้ต่างฝ่ายต่างต้องหล่อล้อมชีวิตเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วอย่างเลี่ยงไม่ได้ตามการเวลาและสภาวะจาเป็น บีบบังคับรอบด้านไม่มีใครทางฝ่ายอเมริกันทราบว่าวิทยุมือถือของเขาและบุญคำเกิดอาการใบ้ขึ้นมาชั่วขณะระหว่างที่อยู่ในดงไม้ประหลาดเพราะระยะเวลานั้นคงไม่มีใครเรียกลงไปนั่นเองและพรานใหญ่ก็ไม่ได้กระตกกระตากใดๆขึ้นให้เป็นปัญหาเขาถือหลักปฏิบัติเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วสาหรับฝ่ายนายจ้างหรือแม้แต่ลูกน้องบริวารทุกคน อะไรที่มันเกิดวิคนวิการขึ้นในระหว่างการรอนแรมอยู่กาลางไพรเถือนถ้าแม้ว่าคนร่วมคณะไม่ทันจะสำเนียกจับสิ่งผิดปกตินั้นๆได้ก็จะเก็บงําเงียบเฉยไว้เสียโดยให้มันผ่านผ่านไปเสียไม่ต้องให้พลอยรับรู้ด้วยเพราะรังแต่จะเกิดระสําระสายในขวัญและอารมณ์อะไรที่จะแก้ไขขจัดปัดเป่าได้ตามลําพังคนเดียวก็จะลงมือกระทําไปเงียบๆสาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ใหญ่นี้ เขาก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องสลักสําคัญอะไรนะักมันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเป็นยังไงในความรู้สึกของผมน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างน่าสนใจสําหรับคุณและบุญคำมากพอสมควรในดงไม้ข้างล่างโน้นเพราะเห็นลงไปนุ่นกันที่นั่นนานสแตนลีย์ชนคุยขึ้นอย่างคนที่คอยจับสังเกตท่าทีเขาอยู่ตลอดเวลาชนิดไม่ยอมให้มีอะไรผ่านพ้นสายตาไปได้ ไม่มีอะไรน่าสนใจที่นั่นนอกจากแหล่งน้ำที่ไม่น่าไว้ใจในด้านอาศัยดื่มกินเขาตอบด้วยเสียงปกติธรรมดาที่สุดบุญคำเองก็น่าตายสนิทแล้วทำไมถึงกลับกันขึ้นมาช้านักละ่ะไปโม่โอเอะอะไรกันอยู่คิดถามก็ไม่ได้โออเสียเวลามากอะไรนะักกลับมาทันเวลาอาหารเย็นพอดีทางด้านนี้ละ่ะวิทยุเครื่องใหญ่ของนายหวังว่ายังคงใช้ไม่ได้อยู่ตามเคยนะ หรื อ, อยังไงเขาย้อนถามไปบ้างเปลี่ยนเรื่องเสียคีบเบ้ปากมันคงพังเรียบร้อยไปแล้วมัง้งฉันอยากจะโยนมันทิ้งเสียรู้แร้วรู้รอดคนของเราจะได้ไม่ต้องมามีภาระแบกหนักอยู่หอบหิ้วไปด้วยก็ไม่ช่วยประโยชน์อะไรขึ้นมาได้เลยอย่าเพิ่งทิ้งและยังทิ้งไม่ได้รพินพูดหนักแน่นมันจะต้องมีโอกาสใช้งานขึ้นมาได้อีกไม่เวลาใดก็เวลาหนึง่ง แต่ไม่ก่อนหน้าที่เราจะค้นพบซากตกของเครื่อง B 5 2เครื่องนั้นและในเวลานั้นมันจะช่วยพวกนายเป็นอย่างมากในเที่ยวขากลับถ้าหากเรามีโอกาสที่จะได้กลับทุกคนฝ่ายนายจ้างมองตาเขาขมิงอะไรที่ทำให้คุณเชื่อและพูดออกมาเช่นนี้อเมริกันอาวุโสถามต่าๆผมมีประสาทสัมผัสที่6เชื่อผมเถอะหรือเราจะมาพนันกันก็ได้ วิทยุของพวกคุณไม่ได้เสียหรือชำรุดมันถูกอำนาจลี้ลับเหนือโลกชนิดหนึ่งเข้ามาครอบครุมไว้ชั่วขณะเท่านั้นในเส้นทางนี้แต่ถ้าจะให้ผมอธิบายมากกว่านี้ก็ไม่สามารถจะอธิบายอะไรได้เหมือนเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณผ่านเผชิญมาแล้วด้วยตนเองซึ่งพวกคุณก็อธิบายหรือให้คำจำกัดความใดๆไม่ได้เช่นกันว่าอะไรมันคืออะไร แล้วเขาก็มองไปทางคริสติน่าผู้นั่งแท้เนื้อย่างอยู่เงียบๆซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างสงบเงียบมิดชิดอยู่ภายใต้อาการแข็งแกร่งเยียบเย็นและวางเฉยอย่าเมื่ออยู่รวมกลุ่มกันมากๆคนหรือยามที่หล่อนตั้งสติเป็นของตัวเองได้เช่นขณะนี้เบลล์ Bell, เรียบร้อยดีแค่ไหนคริสคิดว่าไม่มีอะไรน่าห่วงในอาการและถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะให้เขา หลับรวดเดียวจนถึงรุ่งเช้าโดยไม่มีอะไรไปรบกวนเรื่องอาหารสำหรับเขาในคืนนี้ไม่จำเป็นจอมพรานพยักหน้าถ้างั้นตอนดึกน้ำเกลือหมดแล้วก็ไม่ต้องปลุกขึ้นมาว่าแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้าให้พักอย่างเต็มที่พรุ่งนี้เบ ล, ลจะแข็งแรงดีกว่าวันนี้และควรจะดีขึ้นเป็นลำดับคราวนี้เป็นคาถามของฉันบ้างถ้าคุณจะตอบได้เชิญ คืนนี้พวกเราจะได้พักกันอย่างปกติสุขหรือไม่เพียงไรแค่ไหนพระผู้เป็นเจ้าหรือสวรรค์ควรจะเปิดโอกาสให้พวกเราได้มีเวลาพักผ่อนกันบ้างจากเหตุการณ์หนักๆที่ติดต่อกันมาหลายวันแล้วคุณตอบไม่ตรงคำถามและดูไม่ค่อยจะกล้าให้คำรับรองอะไรนะหล่อนติงก็คิดว่าคงไม่มีอะไรร้ายแรงที่ทำให้เราต้องตรีตเลือกเห็นกันขึ้นมากลางดึก สำหรับคืนนี้ขอเพียงทุกคนอย่าออกนอกบริเวณแคมป์ที่พักถ้าหากมีภารกิจส่วนตัวที่จะต้องออกนอกบริเวณแม้จะเห็นว่าเป็นระยะเพียงใกล้ๆโปรดแจ้งให้ผมรู้ด้วยจะได้ออกไปเป็นเพื่อนขอให้ปฏิบัติเช่นนี้ทุกคนไม่ว่าใครทั้งสิน้นแม้แต่คนของผมเองผมก็จะสั่งเขาไว้เราจะปฏิบัติตามที่คุณสั่งและแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคุณคงเห็นว่าทุกคนทุกแห่งในนรกดำนี่ภายหลังตะวันตกดินไปแล้ว พวกเราคนใดจะไม่กล้าฝ่าฝืนคำสั่งของคุณในกรณีที่ออกนอกบริเวณไปตามลำพังสักครั้งขอถามให้ตรงจุดเลยนะรัพินคุณยังระแวงฤทธิดเดชของเจ้าผีดิบมันตรายอยู่ใช่ไหมสแตนลีย์เป็นคนพูดขึ้นผมจะไม่ประมาทในทุกสิ่งทุกอย่างคืนนี้จะเป็นคืนพิสูจน์ครั้งสุดท้ายถ้าไม่มีวี่แววอะไรจากมันตรายอีกเลยก็เชื่อได้ว่าเราหยุดมันไว้ได้แล้ว จากงานที่เราได้ทำกันตลอดทั้งวันนี้เรียกได้ว่าผ่านพ้นอุปสรรคสำคัญไปได้หนึ่งเปราะที่คอยสกัดกั้นรังควานและทำให้เราต้องเสียเวลาอยู่นานโขเราจะไม่เสียเวลากับมันอีกแล้วโดยจะพยายามพระด น, น, นี้ออกให้พ้นรัศมีที่มันจะตามเราวีได้เขตแดนในนรกดำที่ลึกเข้าไปอีกนั้นจะเป็นแดนที่แม้แต่อนานาจของมันไร ไม่ว่าจะมีอิทธิฤทธิสักเพียงใดก็ไม่สามารถจะก้าวกายติดตามเข้าไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนมีขอบเขตของมันเชิดวุฒิเพียงคนเดียวที่นั่งร่วมวงกินอาหารและสนทนาอยู่ด้วยแต่ไม่ได้ปริปากคำใดเลยนอกจากสดับฟังอยู่เงียบๆอาการของนายทหารหนุ่มอิดโรยกระปรกระเปรียผิดไปจากทุกวันรับประทานอาหารเสร็จระพินตรงไป หยุดยืนดูร่างอันนอนเหยียดยาวดวงตาปิสนิทของเบลสังเกตไปยังถุงน้ําเกลือที่แขวนอยู่ซึ่งพร่องไปเพียงเล็กน้อยด้วยอัตราการหยดอย่างช้าๆสม่ําเสมอคริสเดินตามเข้ามายืนดูเขาอยู่ด้วยอีกด้านหนึ่งทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อเป็นการป้องกันสิ่งอันชั่วร้ายที่จะเข้ามาสิงสู่หรือทําอันตรายจิตวิญญาณอันอยู่ในภาวะอ่อนแอของเบล ในขณะที่หมดสติไม่รู้ตัวนี้หลอนพูดมาด้วยเสียงกระซิบ ฟ, ฟังไม่ออกว่าท้าทายหรือเกิดความเชื่อมั่นศรัทธารับเนเบนสายตาไปที่หลอนในแนวตรงคุณเห็นผมเป็นพ่อมดหมอผีในแอฟริกาไปแล้วหรือยังไงนอกจากความสามารถในเชิงพรานแล้วฉันรู้ว่าคุณเป็นผู้ชำนาญในทางสายศาสตร์มนต์ดอีกด้วยเว้นแต่คุณจะปฏิเสธหรือปกปิด คุณเชื่อในสิ่งเหล่านี้หรือฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่เดี๋ยวนี้ฉันเชื่อแล้วในเรื่องเช่นนี้ถ้าคุณไม่มีวิชาการทางด้านนี้คุณจะไม่สามารถนำพวกเราให้รอดพ้นวิบัติภัยลี้ลับต่างๆมาจนถึงบัดนี้หรอกรพินคว้าข้อมือแม่นักฟิสิกส์ประจำคณะลากหลบมุมแง่หินลับตาจากพกพวกที่ยังนั่งคุยรวมกลุ่มกันอยู่ริมกองไฟโดยคนเหล่านั้นไม่ทันสังเกตเห็น มายืนประจันกันในเงามืดสองต่อสองเบลแม้จะอ่อนแอทางสรีระและดวงจิตกว่าคุณก็จริงแต่ดวงของเธอแข็งมากผมรับรองได้ว่าตลอดเส้นทางเดินท้าทายมฤตยูนี้เธอจะยังไม่เป็นอะไรทั้งสิน้นแต่สำหรับคุณผมยังไม่แน่ใจนะักคนที่แกร่งกล้าแข็งแรงที่สุดนั้นอาจพลาดพลั้งเข้าเมื่อใดก็ได้ ถ้าอยู่ในระหว่างโชคร้ายหรือดวงดาวประจําชีวิตเข้าสู่มุมอับถ้าคุณเชื่อมั่นศรัทธาในตัวผมโดยไม่เสแสร้งหรือมีอคติใดๆคุณจะยอมรับอะไรจากผมด้วยความเต็มใจสักอย่างหนึ่งไหมเพื่อเห็นแก่สวัสดิภาพความปลอดภัยของตัวคุณเองภายในคืนนี้รวมทั้งคืนต่อๆไปด้วยและต้องไม่ถามให้มากเรื่องไปด้วยว่าสิ่งที่ผมจะมอบให้นี้คืออะไร ผมไม่มีเวลาที่จะอธิบายในเงามืดนั้นดวงตาของหล่อนดูเหมือนจะเปล่งประกายขึ้นมาฉันยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะมอบให้มาด้วยความเต็มใจและศรัทธายิ่งสุภาพบุรุษไพรล้วงกระเป๋าเสื้อทางด้านซ้ายหยิบสิ่งหนึ่งออกมาลักษณะเป็นท่อนเล็กๆยาวประมาณองคุรีเดียวพันหนาแน่นไว้ด้วยสายสิน โดยมีเส้นได้มงคลร้อยเป็นสายยาวประมาณสองคืบเศษออกคำสั่งสั้นๆคุกเข่าลงคริสสุดตัวคุกเข่าอยู่ตรงหน้าอย่างสงบโดยดีพรานใหญ่กลั้นใจภาวนาขณะเดียวกันก็ค่อยๆบรรจงสวมสิ่งนั้นผ่านศรีรษะของหล่อนลงไปครองคอให้แล้วตกเบาๆลงไปที่เส้นผมสีทองของร่างที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้า วางมือกดติดอยู่กับศีรษะของหลอนแม่สาวขนลุกโชนฉันขึ้นทั้งกายร่างสั่นเทิมไปหมดหลอนมีความรู้สึกร้อนไปหมดทุกปลายเส้นประสาทยิ่งกว่าดื่มเหล้าอันมีดีกรีร้อนแรงความหนาวเย็นอย่างประหลาดที่จับดวงจิตมาตลอดเวลานับแต่ตะวันตกดินวันนี้สลายไปหมดสิน้นหัวใจเต้นแรงวูบว่าไปหมดเลือดฉีดพร่านจากหนังศีรษะไปจรดปลายเท้า ในขณะที่เขายังกดฝ่ามือนิ่งอยู่บนศรีรษะ แ, ะและ้วอึดใจหนึ่งเขาก็ยกมือออกคว้าต้นแขนทั้งสองของหลอนพยุงให้กลับขึ้นมายืนตามเดิมกล่าวเสียงลึกต่อมาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเมื่ อ, อไหร่ที่ไหนตลอดเส้นทางนี้อย่าให้สิ่งนี้หลุดจากคอคุณเป็นอันขาดจะไม่มีสิ่งที่เลวร้ายทั้งมองเห็นและมองไม่เห็น เข้ามากล้ำกลายเป็นอันตรายใดๆต่อคุณได้เลยรักษาติดตัวไว้ให้ดีเมื่อพ้นจากภารกิจนี้ไปแล้วคุณจะยังคงเก็บไว้จะคืนให้ผมหรือจะถอดออกโยนทิ้งก็สุดแล้วแต่คุณพระพินคุณมหาสัจจรย์ยิ่งกว่าพระเจ้าเสียอีกลอนอุทานละล่ำละลักความปิติปราบรื้มสมนัสท่วมท้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในชีวิตฉันรู้สึกสัมผัสได้อย่างชัดเจน ในสิ่งที่คุณมอบให้ฉันนี้เป็นสิ่งมงคลสูงค่าและเต็มไปด้วยอนุภาพยิ่งใหญ่เหลือเกินฉันเพิ่งจะแน่ใจเดี๋ยวนี้เองว่าคุณมีความเมตตาปราณีฉันมีความปรารถนาดีต่อฉันอย่างแท้จริงคุณเปรียบเสมือนพระเจ้าของฉันเขาสัส่นศีรษะช้าช้ายังคงจับต้นแขนทั้งสองของหลอนแน่นกระชับอยู่เช่นเดิมผมไม่ใช่พระเจ้าของคุณแต่ผมเป็นมิตรที่ปรารถนาดีต่อคุณ นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามที่คุณเข้าใจและจำไว้ด้วยว่าผมไม่ใช่พ่อมดหมอผีแต่ผมเป็นผู้ที่มีทั้งศีลและสัจจะอันจะก่อให้เกิดพลังและอำนาจในสิ่งที่อยู่ในคันลองอันถูกต้องชอบธรรมสิ่งที่มอบให้แก่คุณไปไม่ใช่เกิดจากมนต์มืดแต่เป็นสิ่งอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความดีงามสะอาดและสว่างฉันจะต้องทำอย่างไรบ้างต่อสิ่งนี้ หลอนถามอย่างกระตือรือร้อนไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากประพฤติชอบปฏิบัติชอบเท่านั้นคุณรู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นความดีและความชั่วแยกมันให้ถูกแล้วจงเลือกกระทาแต่ความดีมันเป็นหลักเกณฑ์เดียว ก, กันกับคำสั่งสอนในศาสนาของคุณนั่นแหละแล้วสิ่งนี้จะก่อให้เกิดความเป็นมงคลต่อชีวิตของคุณไม่มีสิ่งชั่วร้ายหรือพิหาซาตานใดๆเข้ามาใกล้ชิดคุณได้เลยจาไว้ และต่อไปนี้ระหว่างเราทั้งสองจงมีแต่ความเป็นมิตรแท้ต่อกันเป็นน้องสาวกับพี่ชายเป็นสิทธิกับครูไม่มีอะไรนอกเหนือกล้ามเกินไปกว่านั้นเข้าใจไหมคริสติน่ายิ้มทั้งน้ำตาโผลเข้ามากอดเข้าไว้ซบหน้าลงกับไหลตอบเสียงแจ่มใสชัดเจนค่ะระพินฉันเข้าใจฉันเพิ่งจะมาได้เข้าใจและสว่างในคืนนี้เองคุณคือพี่ชายของฉัน คือครูหรืออาจารย์ของฉันจะไม่คิดลามปามเลื่อนเปื้อนในทางเล่กลนเพื่อหวังจะหลอกล่อใดๆกับคุณอีกแล้วขอให้สัญญาฉันร้ายกาศมามากแล้วต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดีเสียทีระพินกอดตอบหล่อนตบหลังเบาๆและจับไหล่ดันให้ห่างออกไปสั่งอย่างเป็นงานเป็นการแต่อ่อนโยนกลับเข้าไปได้แล้วน้องสาวดูแลเบลให้ดีด้วยสาหรับคืนนี้ ผมต้องการให้เธอกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงดีเหมือนเดิมเสียโดยเร็วเพื่อจะได้เดินทางสะดวกขึ้นโดยไม่เสียเวลาสิ่งที่จะสั่งก็คือคืนนี้ถ้าเห็นหรือได้ยินเสียงประหลาดอะไรอย่าวันไว้นอนดูหรือฟังไปเฉยเฉยไม่ต้องตกใจหรือทำอะไรทั้งสิ้นผมจะนอนอยู่ใกล้ๆพวกคุณถ้ายังไงปลุกก็แล้วกันหากผมยังไม่รู้สึกตัวในกรณีที่เกิดสิ่งผิดปกติขึ้น รับรองได้ว่าจะไม่มีอะไรเข้ามาในแคมป์ของเราได้เลยเอาละกลับเข้าไปได้แล้วคริสซึ่งบัดนี้ทั้งสายตาและอาการเปลี่ยนไปชนิดเป็นคนละคนเดินก้าวถอยหลังไปสองสามก้าวแล้วหยุดชะงักลงนิดหนึ่งคืนนี้เย็นวังเวงอย่างไรชอบกล น, นะมันเย็นเยื่อกว่าตอนที่เราพักแรมกันอยู่หน่าสุสานโบราณ น, น่นเสียอีกเพียงแต่ฉันไม่กล้าพูดเท่านั้น ใช่บรรยากาศมันไม่ค่อยจะเข้าท่านักแต่ไม่มีอะไรหลอกเชื่อเถอะยังกลัวอยู่หรือเปล่าลอนสั่นศรีรษะยิ้มให้ตอนนี้ไม่กลัวไม่หวันวายต่ออะไรอีกแล้วดีมากถ้ากลัวก็ไม่ใช่น้องสาวหรือลูกศิษย์ของรพินไพรวันไม่ต้องกลัวอะไรอีกทั้งสิ้นนับแต่นี้ไปกลัวอย่างเดียวคือความชั่วอย่างอื่นๆในร่างกายจะไม่อายก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้ละอายต่อบาปเท่านั้นถึงไหนถึงกันพระเจ้าจะยืนอยู่ข้างคุณเสมอคริสหมุนตัวกลับเดินเข้าไปในบริเวณแคมป์อย่างว่าง่ายเป็นครั้งแรกทันทีที่รับร่างของหล่อนเงาผมผอมเล็กๆของใครคนหนึ่งก็โผล่ออกมาจากซอกเห็นอีกด้านเด็ดแท้ๆนายกูในที่สุดก็สะกดไม่เสือสมิงนั่นเสียอยู่หมัดหมอบราบคาบแก้วไปเลย ต่อไปนี้แม่เจ้าประคุณคงไม่คิดปล้ำเอาทําผัวอีกแล้วนี้เห็นซิโรราบกราบกรานพระอาจารย์ตัวสันเป็นเจ้าเข้าถ้าทําให้แมมคริสเลิกจ้องตะครุบนายซื้อได้เมื่อไหร่นายก็หมดเคราะห์ไปอีกยกหนึ่งแล้วฮ่าฮกลับบ้านคราวนี้บวชเซตเตอร์คงได้อรหันแน่ก็คิดจะบวชอยู่เหมือนกันถ้ารอดตายกลับไปได้เขาตอบเรียบๆไม่รู้สึกประหลาดใจอะไร ที่จูๆ่ๆตาคำก็โผล่ออกมาจากมุมมืดนั้นเพราะคุ้นเคยเสียแล้วอีตานี่แกทาหน้าที่เป็นแมวมองคอยสอดส่องความประพฤติของเขาอยู่ตลอดเวลาอยากจะเตะเสีย จ, จนไม่อยากแล้วบุญคำย่องเข้ามาใกล้แล้วเริ่มต่อว่าทันทีนายนะนายที่แม่มคริสละก็ให้ของดีไปได้ทั้งทั้งที่เป็นฝรั่งมังค่าที่ไอ้คารับใช้มานานเพียนขอมานักต่อนัก ไม่เคยให้อะไรเลยนอกจากลูกถีบเรามันมีดีเกินตัวอยู่แล้วจะเสกมาขออะไรอีกนอกจากลูกถีบเอ๊ะแล้วเราจะรักกันได้ยังไงแกล้องเพลงออกมาท่อนหนึ่งเบาๆเราพิม์คว้าคอหมับลากให้ออกเดินเข้าไปในระหว่างซอกหินมานี่มาช่วยกันขี่เส้นกาหนดปริมนทนกํากับเส้นให้หมดทั้งสิบสองทิศถึงยังไงก็ประมาทไม่ได้ คืนนี้บุญคำเล่นไปฉี่รถอวดของดีแบบนั้นสมัยไอ้แง่สายก็ยังไม่สรรพดนอุบาทถึงอย่างนั้นแสไม่เข้าเรื่องบุญคำหัวเราะคิกๆแล้วเดินตามเข้าไปทันทีเพื่อทำพิธีวางรั้วอาคมป้องกันพูดพรายวิญญาณร้ายทั้งปวงไม่ให้ล่วงล้ำเข้ามาภายในบริเวณปางพักได้เสร็จสับภายในระยะเวลาไม่นานจากนั้นทั้งสองก็กลับเข้ามาในบริเวณอีกครั้ง รัพินบอกให้ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างลูกหาบของเขาเข้าพักนอนในที่ของตนทันทีทุกคนก็อยากจะพักผ่อนอยู่แล้วเพราะอ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งนั้นเชิดวุฒนั้นแอบไปหลับก่อนใครทั้งสิ้นในฝ่ายของนายจ้างส่วนสเตลลี่ก่อนจะเอนกายลงถามเขาว่าคุณละ่ะยังไม่นอนหรือผมมีทุระอีกนิดหน่อยครับเชิญตามสบายเถอะไม่ต้องห่วง และขอให้หลับสบายกันทุกคนหัวค่ำนี้ฝ่ายนายจ้างอเมริกันทุกคนหลับกันไปด้วยความระโหยโรยแรงไม่มีคนใดเข้ามารบกวนสมาธิของเขาในด้านชวนพูดคุยสักถามใดๆอีกทั้งสิ้นแม้แต่เชิดวุรับพินเรียกคนของเขาทั้งสีเข้ามากำกับสั่งการกําหนดหน้าที่เวรยามซึ่งจะต้องมีการกวดขันเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการแอบออกไปนอกบริเวณแคมป์กลางดึกของพวกลูกหาบทั้งหลายเพื่อกิจหนักเบาส่วนตัวทุกคนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลอบออกไปตามลำพังโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะมีเพื่อนและได้รับการรู้เห็นจากเขาหรือบุญคําคนใดคนหนึ่งโดยถ้าจำเป็นก็ให้มาปลุกเพื่อให้รู้ไว้ก่อนว่าจะมีการปลีกตัวออกไปทากิจธุระนอกแคมป์ และกำหนดให้คนทั้งหมดนอนรวมกลุ่มกันอยู่ใจกลางปริมนทนเป็นสามกลุ่มกลุ่มละห้าคนรายรอบตำแหน่งที่พักนอนของฝ่ายนายจ้างเพื่อการตรวจสอบนับจำนวนได้โดยง่ายแล้วก็ให้ทุกคนพักผ่อนได้ทันทีภายหลังนัดแน่สั่งการเสร็จตนเองนั่งสูบบุหรี่ใบตองแห้งอยู่ริมกองไฟตรงหน้ามีลายแทงเก่าแก่ดั้งเดิมของมังมหานรธากลางอยู่ พินิกไคร่ครวนแผนที่โบราณ น, นั้นอย่างใช้ความคิดหนักบัดนี้เขาไม่สนใจกับแผนที่ทางอากาศของฝ่ายนายจ้างอีกต่อไปแล้วและไม่ประสงค์จะนำมันมาเปรียบเทียบให้เสียเวลาเปล่าในเวลาเช่นนี้แหละที่เขามีความรู้สึกต้องการแง้ทายอย่างที่สุดแตว่าไม่มีแง้ทายเจ้าคู่ปรับคู่คิดในยามยากมาอยู่ใกล้ชิดเคียงข้างเขาเหมือนยุคก่อนนี้อีกแล้วนอกจากตัวเขาลําพังคนเดียว กับลูกน้องร่วมตายอีกสี่คนเท่านั้นซึ่งแทบจะเป็นที่ปรึกษาหารือใดๆไม่ได้เลยเพราะมันสมองต่างระดับคงอาศัยได้แค่งานทางด้านพละกกำลังและฝีมือเชิงพรานระดับลูกป่าสามัญธรรมดาเท่านั้นเขาจะนั่งคิดค้นหาแนวทางเพื่อกำหนดเส้นเดินหน้าอยู่นานสักเท่าใดไม่ทราบได้มารู้สึกตัวเมื่อถูกสะกิดแขนจากข้างหลังพอหันกลับมาก็เห็นจัน ยื่นถ้วยพลาสติกบรรจุกาแฟที่ต้มร้อนๆส่งควันกลุ่นมาให้และในเงาตะคุ่มเบื้องหลังออกไปอีกเล็กน้อยตาคําก็นั่งกอดเข่าอยู่เหมือนต่อไม้ทั้งคู่คงจะนั่งเฝ้าดูเขามาเป็นเวลาช้านานแล้วอย่างเงียบๆสุภาพบุรุษไพรรับถ้วยกาแฟมาพร้อมกับยิ้มให้คนของเขาทั้งสองแล้วยักหน้าเป็นสัญญาณให้เข้ามาหาตาคาจึงคานเข้ามานั่งใกล้ๆในขณะที่จันนั่งขนาบอีกข้างหนึ่ง ยังไม่นอนกันอีกหรือจันบุญคำเป็นห่วงนายเห็นนั่งคิดหวยเบอร์อยู่คนเดียวมานานแล้วร่วมครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเป็นยังไงงวดหน้าออกอะไรแต่คําพูดเบาๆหน้าตาเฉยอ้าปากหาวออดเรามันก็ดีอยู่ตรงข้อ น, นี้แหละนะตาคําจะเป็นจะตายยังไงก็ขอให้มีอารมณ์สนุกเข้าไว้ก่อนเอาละทั้งสองคนนี่แหละถ้ายังไม่นอนจะมานั่งคุยกันก่อนก็ได้ จันกับพี่คำเห็นนายนั่งดูลายแทงเก่านั้นอยู่นานแล้วท่าทางนายก็คิดหนักไม่เป็นสุขเลยจันท์พูดอย่างกังวลตาที่มองดูเขาเต็มไปด้วยความอาทรรักใคร่พักดีพรานใหญ่ยิ้มขรึ ม, ม, มตบไหล่มือซ้ายของเขาหนักๆฉันประมาทไปหน่อยในครั้งนั้นและไม่คิดว่าเราจะต้องมาเสี่ยงตายเดินในเส้นทางนี้อีกแล้วตลอดทั้งชีวิตนี้ในเที่ยวขากลับเลยไม่ได้ทำแผนที่แน่นอนเอาไว้ ต้องมาอาศัยแกะลายแทงเก่าหนี่อยู่อีกว่าแต่จันร์กับบุญคําพอจะจําทางที่เราเดินกลับได้ไหมมันเป็นทางลัดมากและไม่มีอุปสรรคอะไรมากนะักต่างกว่าในเที่ยวขาไปตามลายแทงนี้สมุนซ้ายขวาของเขาเมองหน้ากันนิ่งคิดไปพักใหญ่จันทรก็ถามไปทางลูกพี่ว่าจันทร์พอจะจําได้บ้างนิดหน่อยเท่านั้นพี่คําล่ะแม่นไหมตาคำเอามือลูบหัวหยิกขอดไปด้วยเส้นผมของแก เอข้าก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเหมือนกันแหละว่าไอ้จันร์แต่เดินไปค่อยๆสังเกตสังกาไปก็น่าจะจําได้มั่งจุดใหญ่ๆมันพอมีให้จําได้บ้างเหมือนกันแล้วแกก็เอามือจับเข่านายจ้างถามว่าทําไมนายคิดว่าไอ้เรือบินของฝรัง่งมันตกอยู่ในเส้นทางนี้แน่เหรอไม่ได้คิดหรอกแต่เขาเว้นระยะนิดหนึ่งดีดก้นบุหรี่ใบตอแห้งเข้าไปในกองไฟแล้วยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบ แน่ใจเลยว่ามันต้องอยู่ในดินแดนหลังเทือกเขาพระศิวะโน่นธัมโมสังโคคะโตแต่เท่าพึมพำออกมาเบาที่สุดเอามือโปะอยู่กลางกระบาลจันนิ่งเงันไปอึดใจใหญ่ตาจับอยู่ที่เขาแนวนิ่งมรกฎนครของแง่ทรายหรือนายใช่ถ้า ง, งั้นเราก็ต้องตรงไปที่นั่นทั้งๆ ท, ที่ไม่คิดกันว่าจะต้องหวนกลับไปอีกเราต้องไปจัน ไปเพื่อให้คณะนายจ้างของเราเห็นชัดกับตาเพราะเราสัญญากับเขาไว้แล้วว่าจะต้องค้นหาให้พบส่วนหลังจากพบแล้วเขาจะเอากลับคืนได้หรือไม่ได้อย่างไรหมดหน้าที่ของเราที่จะต้องรับผิดชอบต่อไปไปก็ไปนายไปที่ไหนจันพี่คาหรือไอ้เด็กๆพวกเราทุกคนก็ตามนายไปทุกแห่งนั่นแหละเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่เห็นนายมานั่งกุมขมับคิดหนักอยู่เรื่องอะไรอีก ฉันถามเบาๆฉันกำลังคิดหาทางที่มันย่นระยะหรือทางลัดที่สุดเราจะไม่เสียเวลากันมากมายโดยการเดินไปตามลายแทงนี้เหมือนครั้งแรกแล้วรพินพูดชัดเจนแช่มช้าแต่แผ่วเบาเอาดินสอชี้ลงไปในแผ่นลายแทงเราจะหาทางเลี่ยงทะเลสาบมรณะเลี่ยงภูเขานินละการของวายาอีกหลีกหลุมอุกาบาทที่1 2และสาม โดยตัดตรงเข้าหาเหนินพระจันทร์เลยเพื่อย่นทางเพราะฉะนั้นฉันจึงถามจัน์กับบุญคำว่าพอจะจำเส้นทางขากลับของเราในครั้งนั้นได้บ้างไหมเดินไปดูไปเดี๋ยวก็จาทางได้เองและนายบุญคำบอกมาง่ายๆอย่างคนไม่คิดอะไรมากอันเป็นปกตินิสัยของแกทิวเขาดวงดาวดวงตะวันก็ความที่เคยผ่านมาก่อนแล้วจะช่วยให้เราค่อยๆจาได้เองบุญคาดูลายแทงของนายไม่เป็น เห็นมีนายกะไอแงสายสองคนเท่านั้นที่อ่านออกสำหรับลายแทงแผ่นนี้แต่บุญคำดูดาวเจระเข้กับดาวลูกไก่ออกว่าหัวหางมันหันไปทางไหนถ้าเมฆหมอกไม่บังแปลว่านายต้องการตรงดิ่งเข้าหาเนินพระจันทร์ให้ได้เลยหรือนับจากนี้ไปถูกต้องมุ่งเนินพระจันทร์โดยใช้วิธีทางลัดให้มากที่สุด รพินย้ำคำหนักแน่นอย่างตัดสินใจไว้แล้วแน่วแน่ทีนี้ถ้าไปถึงเนินพระจันทร์แล้วจัน์เอ่ยขึ้นอย่างรอบข้อระมัดระวังหางเสียงไม่ไวายกังวลนายก็คงรู้ดีอยู่ว่าสมัยที่เราไปครั้งนั้นมันได้เวลาพอดีกับข้อกำหนดของลายแทงขึ้นห้าขัเดินส2องจันเซี่ยวทำมุมกับสันเขาทางด้านตะวันตกทาให้เรามองเห็นเส้นทางตัดขึ้นเทือกพระศิวะ มือซ้ายของเขากล่าวค้างไว้เพียงแค่นั้นจอมพรานพยักหน้าช้าๆถูกต้องตามข้อกาหนดของลายแทงฉบับนี้ระบุไว้แน่ชัดว่าต้องเป็นเวลาดังกล่าวไว้แล้วนั้นด้วยจึงจะมองเห็นเส้นทางขึ้นโดยกาหนดไว้ด้วยข้อความว่าปิ่นพระสิวฉายแสงขึ้นเมื่อใดทันพระอุมาจะปรากฏให้เห็นแต่การมาของเราคราวนี้ถึงอย่างไรมันก็ไม่ตรงกับเวลาที่กาหนดไว้ในลายแทง ทว่าฉันก็มีความมั่นใจว่าถ้าเราได้ไปถึงเนินพระจันทร์ตำแหน่งนี้เมื่อใดเขาเอื้อมมือไปวงเส้นดินสอเบาๆลงตรงตำแหน่งหนึ่งในแผนที่ลายแทงเก่าแก่ฉบับนั้นรีตาลงประกายไฟในกองที่ลุกพรอมแพรมอยู่ศาสจับสีหน้ากร้านแข็งเกรียมกระด้างเป็นเงาเหมือนภาพแกะสลักด้วยหินถึงแม้ปิ่นพระศิวะไม่ฉายแสงให้เรา ถึงแม้การเวลาจะไม่ตรงกันอันมีอยู่เพียงคืนเดียวในรอบหนึ่งปีฉันก็เชื่อว่าฉันพอจะจำเส้นทางขึ้นไปถึงถนนพระศิวะได้ถูกขอให้ไปถึงเนินสำคัญนี้ก่อนเท่านั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของบุญคำกับจันก็คือช่วยกันคิดคน้นครามเส้นทางไปจนถึงเนินนี้ให้ได้เราจะปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ฉันอาจเป็นผู้ชี้กำหนดเส้นทางก็จริงแต่ถ้าบุญคำหรือจันเห็นว่ามันจะคลาดเคลื่อนไปอย่างไรขอให้ทักท้วงได้ทันทีเพราะสามสายตาสามความทรงจำและสามความคิดย่อมจะดีกว่าฉันคนเดียวนับจากการออกเดินทางพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยและให้ทั้งสองคนเอาความคิดหรือความตั้งใจของเรานี่ไปบอกกับเกิดและเสยด้วยให้สองคนนั่น ก็อาจจาอะไรได้บ้างซึ่งมันจะช่วยประโยชน์ได้มากเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยบอกมันก็ได้ไม่ต้องปลุกขึ้นมาพูดกันเสียในคืนนี้หรอกตกลงครับนายเอาไงก็เอากันจันจะพยายามช่วยนายจาทางที่เราผ่านกันมาแล้วให้ได้มากที่สุดถึงเกิดกับเสยก็คงจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยจันรับคําอย่างเต็มใจและพยายามเป็นกาลังใจให้เขาอย่างเต็มที่ รพินหันมาทางตาเท่าที่ยังนั่งมวนบุรีเฉยอยู่ถามว่าแล้วเราละ่ะบุญคํายังไม่เห็นรับปากเลยครั้งก่อนนายถึงเนินแหม่มเมก่อนแล้วจึงถึงเนินพระจันทร์ได้มาคราวนี้นายถึงเนินแหม่มเบลแล้วแต่ไม่ถึงเนินแหม่มคริสแล้วนายแน่ใจหรือว่าจะไปถึงเนินพระจันทร์ได้รพินตาเขียวชี้หน้าอิกานี่ ปากเสียงตลอดเวลาไม่รู้จักกาลเทศะเสียบ้างเลยหยุดทะลึ่งลามกแบบนี้สถทีได้ไหมเดี๋ยวถองจมกองไฟนี่ซะเลยในหัวขมองไม่เคยมีความคิดอะไรมีแต่เรื่องอับปรีศีกบาลประเภทนี้อย่างเดียวบุญคำอ้าปากหัวรอแบบไม่มีเสียงแล้วก็หุบปากลงฉับพลันพูดต่ำๆในลำคอ ใครว่าเรื่องอัปรีศีกบาลมันเป็นเรื่องสร้างสรรค์โลกให้เกิดชีวิชีวาขึ้นนานายถ้าบุญคำไม่มีความคิดสุนทรีอย่างนี้สะอย่างเดียวจ้างก็ไม่มีแรงเดินตามนายมาได้แค่นี้หรอกเฮ่เฮ่พูดถึงเนินพระจันทร์บุญคำเองก็อยากจะไปถึงที่นั่นอีกขึ้นไปดูเนินบนที่สูงหุนทรงงามจับใจแท้เห็นแล้วก้าวขาแทบไม่ออก อยากจะนอนดูอยู่บนที่สูงทั้งวันไอ้แงสายยุคนั้นก็เหลือร้ายมันเอาพวกเราไปวางปางพักอยู่ระหว่างร่องเนินพอดีมองลงมาจากที่สูงถึงได้เห็นแทนที่จะซวยกลับโชคดีส่งไปเลยและกับเท่าเจ้าเล่ห์แสนคนก็บุ้ยปากไปทางที่พักนอนของกลุ่มนายจ้างว่าแต่พวกนั้นจะเดินตามเราไหวหรอือนายเห็นป้อแป้ตุปตุเปกันเต็มทีแล้ว ประเดี๋ยวคนนี้เจ็บประเดี๋ยวคนโน้นไม่สบายผลัดกันนอนแองแม้งอยู่เรื่อยไหวหรือไม่ไหวก็ต้องไปใครตายก็ฝังใครยังก็เดินจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางระพินพูดเสียงลึกบุญคำถอนใจเฮือกโครงหัวทั้งเหี้ยมและทั้งเลือดเย็นเลยเจ้านายกูกลัวใจซะจริงๆพผ่าเขาจะกลับกันแล้วก็ไม่ยอมให้เขากลับจะลากโครงต่อไปให้ได้ ไม่รู้มีดีอะไรอยู่ที่เมืองมรกฎนครของไอ้แง่ทรายไปถึงที่นั่นได้ในครั้งนี้ไอ้คำไม่กลับแล้วขอรับใช้สนองพระเดศพระคุณสมเด็จพระเจ้าจาั ก, กราชทิราชขอตำแหน่งเป็นราชบุรโรหิตที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเดียวก็ไอ้ส่างปามีเมียสาวๆ ส, สักห้าร้อยคนไอ้แง่ทรายมันคงให้นี่ไอ้จันรพินไพรวันไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิ้นเก็บแผนที่ลายแทงที่กลางอยู่ แล้วลุกขึ้นเดินพระไปทันทีจันจุปากเบาๆหันไปต่อว่าบุญคำพูดเบาๆอะไรไม่เป็นเรื่องพี่คำนี่นายยิ่งกำลังกุ้มๆอยู่ด้วยอย่างนี้ไงล่ะที่เขาเรียกโตเพราะแดกข้าวเท่าเพราะเกิดนานไม่ได้เท่าด้วยความคิดมั่งเลยฉฉเฉยๆเถอะนา้จันกูเห็นว่านายเครียดอยู่ตลอดเวลานะสิถึงได้ให้แกเปลี่ยนอารมณ์ใชมั่ง ไม่มีกูคอยแย่แกเล่นให้หันเหความเครียดซะมั่งนายจะทุกข์หนักมากกว่านี้คิดๆก็สงสารแกวะ่ะเกิดมามีกรรมแท้มีรักก็ไม่สมรักมีของดีจะให้กินก็กินไม่ได้ต้องฝืนอดกลั้นมีวิชาความรู้แต่ก็ต้องมาอยู่ป่าอยู่ดงไหนรินข้าวแฝมาให้กูสักถ้วยหนึ่งสิตาชักจะปิดเต็มทีแล้วเดี๋ยวมึงฝ้องเป็นยามแรกแทนกูนะจะขอ ง, งีบสักหน่อย หมดเวรมึงจะนอนปลุกไอ้เสยกะไอ้เกิดขึ้นมาส่วนกูจะอยู่เวรใกล้รุ่งพราจากบุญคำและจันร์รพินเดินกลับเข้ามายัางบริเวณพักนอนของนายจ้างซึ่งนอนเรียงรายกันอยู่คีทกับเชิดวุฒิหลับสนิทอยู่ริมซ้ายสุดถัดมาเป็นด็อเตอร์สแตนลีย์แล้วจึงเป็นเบลผู้สนิทนิ่งเหมือนตาย สายน้ำเกลือยังเดินเข้าเส้นเลือดขณะนี้หมดไปประมาณหนึ่งในสีของถุงที่แขวนอยู่โดยมีคริสติน่านอนเฝ้าอยู่ใกล้ๆพรานใหญ่สำรวจคณะพักไปทีละคนสภาพของเขาเปรียบไม่ผิดอะไรกับบิดาที่จะต้องคอยดูแลตรวจตราเอาใจใส่บุคคลใต้ความรับผิดชอบทุกคนถึงแม้ฐาน่าจะเป็นเพียงแงค่มัคุเทศนาทางแต่โดยหน้าที่แท้จริงไม่อาจจะทิ้งภาระรับผิดชอบดูแลทุกสุข เยี่ยงผู้นำคณะทั้งหมดไปได้รพินเดินอ้อมมาทางด้านหัวนอนของแต่ละคนใช้มือจับตรวจบริเวณหน้าผากและซอกคอพบว่าคีดนั้นปกติดีพอสมควรแต่หลับอย่างไม่รู้สึกตัวเชิดวุดตัวรุมๆเล็กน้อยเหมือนจะมีไข้แต่คงไม่มากนะักสแตนลีย์มีอาการหนาวสั่นเป็นระยะระยะไม่ยอมลืมตาขึ้นมาเลย เบวนั้นคงไม่มีอะไรจะต้องกังวลแล้วเพราะถูกยาเข้าไปหลายขนาดและตกอยู่ในความดูแลอย่างดีแล้วก็มาถึงตัวหมอจําเป็นในยามนี้คือคริสติน่าผู้นอนประสานมืออยู่ระหว่างซวงอกหลับตาพริมอยู่พอหลังมือแตะแก้มหลอนก็เปิดเปรือกตาพร้อมกับยิ้มให้นิดหนึ่งขยับบริฟิปากบอกกับเขาแผ่วเบาที่สุดขอบคุณยังไม่หลับหรือ ฉันตื่นไวเสมอถ้าร่างกายปกตินอกจากเบลแล้วมีคนที่เริ่มจะไม่ปกติอยู่สองคนคือด็อเตอร์แซนลีกับเชิดวุฒถ้าคุณจะช่วยจัดการหายาให้ก็จะเป็นการดีมากแต่มันขึ้นอยู่กับความเห็นในทางแพทย์ของคุณด้วยคริสดึงกายขึ้นนั่งในทันทีขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยมาตรวจดูพวกเราทุกคนฉันไม่ทันได้สังเกตเห็นทุกคนหลับกันดีจะตรวจอาการให้เดี๋ยวนี้ ว่าแล้วหล่อนก็ขยับอย่างแผ่วเบาตรงไปตรวจดูอาการของสเตนลี่และเชิดวุดแล้วก็ง้วนจัดการอะไรอยู่ตามลำพังในขณะที่รพินเดินพราต่อไปตรวจดูสภาพการนอนของพวกลูกหาบทั้งหลายจนทั่วทุกคนโดยไม่มองผ่านข้ามใครไปเลยแม้แต่คนเดียวรวมทั้งนับจำนวนด้วยหลังจากนั้นจึงย้อนกลับมาเอนกายลงบนกระสอบปานที่ปูไว้ทางฝั่งขวาสุดของแถวนายจ้างที่นอนเรียงรายกันอยู่ พอหลังของเขาราบลงกับพื้นศีรษะพาดย่ามหลังแทนหมอนคริสก็คลีป่ปลายพ่อหม่มขนสัตว์พื้นใหญ่แบ่งมาให้หลอนบอกด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาให้เขาขยับเข้ามาชิดเพราะชายผ้าไปไม่ถึงรับพินปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่ประสงค์จะให้เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นหลอนห่มให้เขาทับลงไปบนผ้าผวยพื้นบางๆดาๆเป็นขี้เป็ดของเขาแขนขวาของเขาแนบลงไปกับเนื้อเหล็ก อันเย็นเหยียบของ M16 ที่หล่อนวางไว้ข้างกายแทนด้านเขาตามปกติสภาพในการนอนของหล่อนโดยหันปากลํากล้องไปทางด้านปลายเท้าหล่อนจับปืนขยับจะย้ายไปไว้ทางด้านขวาอันเป็นที่นอนของเบลแต่สุภาพบุรุษไพรวางฝ่ามือลงไปบนข้อมือของหล่อนเสียก่อนกดยึดไว้ให้ปืนของคุณมันวางอยู่ตรงนี้แหละถูกต้องแล้วต้องใช้ปืน เป็นกำแพงกั้นทีเดียวหรือระหว่างคุณกับฉันความจริงไม่จำเป็นศีลกับสัตว์ที่เราให้ไว้ต่อกันก็พอแล้วแต่การวางปืนไว้แนบตัวทางด้านซ้ายในเวลานอนไพรเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดอย่างที่ผมเคยสอนคุณไว้หากเกิดอะไรขึ้นคุณจะคว้ามันขึ้นมาได้เร็วกว่าอยู่ทางขวาหากว่ามันเป็นปืนยาวคือมือซ้ายจับกระโจมมือพอยกขึ้นมือขวาก็กาคอปืนและนิ้วสอดเข้าโกรงไกได้พอดี มันอาจเกะกะแขนขวาของคุณทําให้คุณนอนไม่ถนัดไม่เกะกะตราบใดก็ตามที่ผมไม่คิดที่จะเบียดชิดคุณเกินไปนะักและผมเป็นคนนอนไม่กินพื้นที่มากวางตัวลงไปตรงไหนก็เหมือนท่อนไม้ตรงนั้นแทบไม่กระดิกทําไมมานอนข้างชั้นตรงนี้ทําไมไม่ไปนอนฝั่งโน้นใกล้คิดผมต้องการเฝ้าคุณในสองกรณี 1. ดูว่าคุณจะแอบลุกขึ้นกลางดึกหรือเปล่าซึ่งผมรู้สึกตัวทันที และสองคุณจะตื่นขึ้นดูเบลในจังหวะที่น้ำเกลือหมดถุงหรือไม่ถ้าคุณไม่ตื่นผมก็จะต้องปลุกคุณฉันดีใจที่คุณเลือกมานอนฝั่งด้านฉันทั้งๆ ท, ที่ทุกคืนที่ผ่านมาตลอดนั้นคุณจะเลือกนอนให้ห่างฉันที่สุดและฉันทั้งๆ ท, ที่เป็นผู้หญิงแท้ๆก็มักจะถูกนอนอยู่ชิดริมสุดเสมอไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งซึ่งคิดแล้วมันไม่เป็นการยุติธรรมเลยความจริงการนอนริมที่สุด ในด้านใดด้านหนึ่งของคุณเป็นการยุติธรรมที่สุดแล้วทําไมคุณเป็นคนที่นอนวัยที่สุดกล้าหาญมั่นคงที่สุดและมีสัญชาตญาณระวังภัยได้ดีที่สุดในคณะของคุณแต่ฉันเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงหรือผู้ชายหรือกระเทยไม่สําคัญมันสําคัญที่สมรรถนะความสามารถเฉพาะตัวต่างหากคุณเป็นผู้หญิงแต่เพียงรูปร่างสรีระแต่จิตใจของคุณเข้มแข็งยิ่งกว่าผู้ชายอีกลหลายๆคนเสียอีก คุณมักจะเป็นผู้พิทักษ์คนอื่นๆไม่ใช่เป็นผู้ถูกพิทักษ์เข้าใจใช้คำพูดหลอกฉันนะแปลว่าคุณปล่อยให้ฉันช่วยเหลือตัวเองมาตลอดเวลาโดยไม่สนใจจะมาเฝ้าดูแลปกป้องฉันเลยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ทำไมคุณถึงใจร้ายกับฉันนักนะระพินผมให้เกียรติในความสามารถของคุณมากกว่าถ้าผมมัวแต่คอยช่วยคนที่แข็งแรงแกรง่งกล้ายอยู่และคนที่อ่อนแอกว่าใครจะช่วยเอาละ ใครเป็นคนอ่อนแอที่สุดในคณะของเราที่คุณว่าคุณจะต้องช่วยไว้ก่อนถ้าหากเกิดเหตร้ายขึ้นถ่ายซิเบลไม่ใช่ถ้างั้นใครเคอร์แนวคิดรูปร่างของเขาใหญ่โตแข็งแรงก็จริงแต่แก่นลึกเขาเป็นคนไม่เอาไหนเชื่องช้างุ่มง่ามเอาตัวรอดยากในเวลาเกิดวิกฤตการขึ้นและจุดอ่อนอันตรายที่สุดก็คือความโอหังอวดดีนั่นคือความอ่อนแอ จำไว้คริสมีสีหน้าชะงนอยู่ในความมืดเมื่อได้ยินคำพูดประโยคนั้นแปลกฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณจะจําแนกพวกเราแต่ละคนเอาไว้แบบนี้แล้วคิดซึ่งแข็งแรงที่สุดในสายตาของพวกเราคุณกลับดูเป็นคนอ่อนแอที่จะต้องคอยระมัดระวังไปได้ก็มีเหตุผลอย่างที่อธิบายแล้วแล้วเชิญวุรายนั้นก็นแทบไม่ต้องห่วง เขามีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยพิทักษ์คุ้มตัวอยู่แล้วสังเกตดูได้ตั้งแต่เดินทางมาคุณเคยเห็นเชิดวุธเจ็บป่วยได้รับอันตรายอะไรบ้างไหมเขาแคล้วคลาดไปได้ทุกทีถึงแม้ภูเขาจะถล่มฝังเขาไว้ใต้ดินพร้อมกับคุณเขาก็มีปัญญาที่จะสแสวงหาทางนำคุณออกมาจนได้นั่นแหละถ้าคุณเชื่อเรื่องเกณฑ์ดวงชะตาก็จงรู้ไว้ด้วยเถิดว่าดวงของคนไม่เหม ไม่ดูแลมนุษย์เสมอเหมือนกันหรอกไม่ฉะนนั้นจะไม่มีคนเคราะดีและคนเคราะร้ายร่วมทางกับคุณไปนานๆดูฉันจะได้ศึกษาอะไรต่ออะไรมีความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแม้กระทั่งตกกรรกศาสตร์และประัชญาผมอยู่ในโลกนี้มานานพอสมควรและอยู่อย่างสังเกตร่ำเรียนศึกษาวิเคราะห์มันมีสิ่งใหม่แปลกมาให้เราได้เรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น เพียงแต่เราจะรับเอามันไว้ได้หรือไม่เท่านั้นอย่าปล่อยให้อะไรมันผ่านพ้นเราไปเฉยเฉยแม้แต่ความขมขื่นเจ็บปวดทุกยากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครูเราสอนเราทั้งนั้นหลอนพริกตัวตะแขงหันมาทางเขาลืมตาใสในความมืดแล้วฉันเป็นคนยังไงเชื่อว่าป่านนี้คุณจะศึกษาร่าเรียนหรือวิเคราะห์ออกไปปลุกโปร่ปรงหมดแล้ว คุณไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยเมื่อสามารถหยั่งซึ้งถึงจิตใจกันได้แบบนักกีฬาและเป็นเพื่อนตายที่ดีที่สุดคนหนึ่งในสถานการณ์คับขันเป็นคนเคารพซื่อตรงต่อหน้าที่รักเพื่อนรักหมูนะ่คณะรับผิดชอบคุณสมบัติเช่นนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องการสำหรับผู้ที่จะมาร่วมเดินทางสายมรณะ น, นี้คุณเป็นนักจิตวิทยาอีกด้วยนะไม่รู้สิผมรู้แต่เพียงว่า รู้สึกอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้นไม่ได้หวังจะมาปลอบโยนเอาอกเอาใจอะไรคุณทั้งสิ้นเพราะมันไม่จำเป็นคุณทำอะไรไม่ถูกต้องผมก็ยังซัดเอาตรงๆซึ่งซึ่งหน้าอย่างไม่เคยถนอมน้ำใจหรือแคร์อะไรเลยผมเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ชอบอ้อมค้อมแล้วคุณพิจารณาหัวหน้าคณะของฉันอย่างไร เขาได้รับเลือกมาให้เป็นหัวหน้าคณะของคุณถูกต้องแล้วสุ ข, ขุมรอบคอบเยือกเย็นและมีเหตุผลเป็นคนที่ผมไม่ต้องห่วงอะไรมากถัดไปจากคุณอิสซาเบลละ่ะผมเห็นว่าเธอเป็นน้องเล็กที่สุดในคณะเดินทางแต่ก็ยังดูแลง่ายกว่าคิดซึ่งเทียบแล้วกลายเป็นทารกที่สุดของคณะนอกจากความรู้ในทางแพทย์และธรณีวิทยาแล้วเบลไม่เลวนะ ในด้านฝีไม้ลายมือทางการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติเธอคล่องพอตัวทีเดียวแหละรักษาเธอให้หายเสียโดยเร็วเธอจะเป็นกำลังช่วยพวกเราได้มากจากวิชาความรู้ที่มีอยู่วันนี้เบลดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้สำคัญว่าอย่าให้มีอะไรมาซ้ำเติมเข้าอีกว่าแต่ขากางเกงของคุณทาไมเมื่อบ่ายวานนี้ฉันตัดขาดออกขาหนึ่ง คุณก็ยังทนทุเรศใส่มาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ก็ช่วยตัดออกอีกข้างให้เท่ากันมันจะได้เป็นกางเกงขาสั้นไปเลยผมไม่ยอมทิ้งมันหรอกจนกว่ามันจะขาดจนนุ่งไม่ได้เสื้อผ้าคุณมีน้อยหรือในเวลาออกเดินป่าคุณน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่ายิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นภาระเท่านั้นพวกผมเวลาเดินป่ามีสำรองกันมาอย่างมากไม่เกิน 3- าสี่ชุดเท่านั้นยกเว้นเสื้อกันหนาวและกันฝน อันเป็นตัวเดียวกันที่คุณจะเห็นผมใส่ในเวลากลางคืนทุกคืนอยากจะบอกอะไรกับคุณมานานแล้วแต่เห็นว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระและยังไม่มีโอกาสคืนนี้ขอปรึกษาหน่อยได้ไหมเชิญผมรับฟังได้แต่อย่าให้ยาวเกินไปนะักเพราะกำลังจะหลับอันเดอร์แวร์ของชั้นและเบลรับพินหูผึ่งขึ้นทันทีทำไมมันหายไปเรื่อยๆคนละสองสามตัวบางขณะยังไม่ได้ซักบางขณะซักแล้ว จากพึ่งอยู่กับกิ่งไม้จะว่าลิงหรือสัตว์อื่นมันมาแอบขโมยไปก็มองไม่เห็นสัตว์พวกนั้นในละแวกที่ของหายไปเลยจอมพรานเป่าลมออกจากปากเบาๆคอที่เริ่มจะชันขึ้นหงายไปพาดเป้หลังตามเดิมหลับตาลงแต่ป่าพูดเรียบๆว่าคุณมีพอใช้ไหมพอเรามีเตรียมกันมาอย่างน้อยก็คนละโหลครึ่ง แต่สงสัยว่ามันหายไปอย่างลึกลับได้ยังไงถ้ายังมีพอใช้ก็อย่าไปสนใจกับมันเลยถ้าหายเสีจนไม่พอใช้ก็บอกผมหมายความว่ายังไงก็จะไปตามเอามาคืนให้และต่อไปนี้ควรจะยุติการหายได้แล้วไม่ใช่ยังหายอยู่เรื่อยๆเอ๊ะฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดอธิบายหน่อยสิเขานิ่งหล่อนซักมาอีกอย่างเอาจริงเอาจังจึงถอนใจยาวสัญญาก่อน ว่าบอกแล้วจะต้องหุบปากนิ่งไม่ต้องบอกใครทั้งสิ้นไม่ว่าหัวหน้าของคุณคีดเชิดวุฒหรือแม้แต่เบลเองฉันสัญญาชื่อว่าเป็นบุญคำแอบขโมยของคุณสองคนไปแกไม่ได้มีจิตทางการวิปริตอะไรหรอกแต่คงจะขโมยเอาไปทำพิธีทางไสยศาสตร์ของแกตอนที่เรารเผชิญกับการราังควานของไอ้ผีดิบมันไตรรู้แล้วก็เงียบเงียบเสียไม่ต้องไปถามแกด้วย และขอร้องว่าอย่าไปตามทวงคืนยกให้แกไปเสียเถอะไม่ตายเสียกลับไปถึงบ้านผมจะชดใช้ให้ถ้าคุณคิดว่ามันมีค่าสำหรับคุณนะักคริสลืมตาโตอ้าปากจะร้องอะไรออกมาอย่างลืมตัวแต่รเพินเร็วกว่าเอื้อมือไปตะปบอุดปากหลอนซสได้ทันกระซิบเบาอย่าเอะอะไปอุตส่าห์บอกให้ตามตรงแล้วไม่ต้องมีคาถามอะไรอีกทั้งสิ้น แล้วก็นอนเสียสัญญาต้องเป็นสัญญาเมื่อเขาแน่ใจว่าหล่อนจะเงียบเสียงไปได้ก็ค่อยๆ ค, คลายมือที่อุดปากออกคริสตินานอนกระพริบตาถี่ๆอย่างประหลาดใจมึนงงพรานใหญ่ตัดบทโดยวิธีพลิกตะแคงนอนหันหลังให้เสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายในแคมป์ก็อยู่ในภาวะสงบเงียบได้ยินแต่เสียงไฟประทุอยู่ในกองเป็นครั้งคราวและสายลมที่พัดวีดวิวผ่านแง่หิน นาวเยือกสะเทินสวง